อธิบายธรรมของนล่ตื้นเนี่ยเราให้ฟังของเล่นตื้นแต่หากไม่พิจารณาก็เป็นของตื่นไปถ้าพิจารณาแล้วก็เป็นของลึกซึ้งโดยส่วนมากคนเราไม่ค่อยเอามากำหนดพิจารณาเช้นเป็นเรื่องเป็นประเพณี ทำสืบสืบต่อกันไปศาสนาที่ไม่ทารวอนศาสนะศาสนาที่ไม่ตั้งมันก็เพราะเหตุนี้เองคนไม่ตั้งใจเอาจริงๆอย่างจังธรรมะที่ท่านแสดงสอนไว้นั้นด่วนด็่ตั้งของจริงทั้งหมดแต่เราไม่เอาจริงเอาจัง เดชักตัวอย่างให้ฟังดังเรากราบพระล้วไหว้พระก <c oughs> กราบไในซาบากี่หนความกราบาการกราบนั้นประสงค์อะไรไม่คิดคำหนึ่งถึงเรื่อง <c oughs> กราบที่หนึ่งเราลึกถึคงลลคุณพระพุทธเจ้าที่สองเราลึกถึงคุณพระธรรม ทั้งที่สามแล้วนึกึงคุณพระสงค์ถ้าหากว่าตั้งใจจริงๆจริงๆนึกถึงพระองค์จริงๆนึกทางถึงทำคําสอนพระองค์จริงๆนึกถึงพระสงฆสาวของพระท่านปฏิบัติดีแล้วจริงๆอาจา ๆ, ๆจสามข้อตรง น, นี้แหละเป็นนวัตถุกต้องมดที่เราทําไปที่จะทำให เป็นสมาธิปัญญาตั้งต้นสามอย่างนี้ถูกไปแล้ว น, นั้นก็ถูกไปหมดถ้าตั้งต้นทั้งสามอย่างนี้ไม่ถูกก็เลี้วไหลบางคนกราบกราบไปมือกราบไปกายเปตาเดี๋ยวล็อลกแรกล็อกแรกไปโน่นไปนี่อะไรตา่าง คิดใส่คิดปลากราณาสงสารเหมือนกับเด็กเด็ๆทำเลนเขาไม่ใช่ของเงินเลนะ ล, ลึกถึงคุณพระพุทธรรมประสงค์เป็นของลึกซึ้งสุขขงูุมว่าท่านที่รึกถึงคุณพระพระธธรรมประสงค์ลึกซึ้งถึงจนกระทั่งน้ำตาตกตาไหลน้ำตาหยดย้อยออกไปด้วยการถึงพระคุณจริงๆ อย่างนี้เป็นตัวอย่าง ต, ตัวอย่างให้ฟังเมื่อทำเป็นเด็ดขัดได้ว่าทาไม่รู้จักความไม่รู้จักความประสงค์มันก็เป็นการเลอะเทอะเลอะไหล่เลยม่าอันนี้จะอธิบายถึงเรื่อ ง, งวัาข้อธรรมที่ว่าเป็นถ้าหากพิจารณาลึกก็เป็นของลึก เต้ น, นาตื้นอ็เป็นของตื้นอย่างที่ท่านนิยมนับถือกันเวลาคนตายชักบังสกุลเรียกว่าชักบังสกุลอนิจจาว่าจะสังขาอุปัตถวายธรรมนิโน ระภิตตาวานิรุันติเตสังลุปาสมุทโขโคพระท่านชักบางสกุลบางทีพระก็ไม่รู้เรื่องครับนอมก็เข้าใจว่าบางสกุลทำบุญอเยตบางสกุลนั้นชักบางสกุลคนตาย บางสกุลไมนหมายความถึงชักบางสกุลคนตายให้ได้บุตรความประสงค์นั้นตัวเองก็เลยเฉยไม่คิดนึกอะไรเลยความเป็นจริงแ้ว น, นอนภูมิราอาจารย์ท่านสอนให้ชักบางสกุลคนเป็นต่างหา เอาคนตายมาเป็นพยานท่านเดินชักวางสกุลอย่างนั้นไม่ใช่ชักให้คนตายคนตายจะรู้เรื่องอะไรแม้แต่ทําบุญทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้คนตายหมดไม่คิดว่าทําบุญเอาเราเราทําบุญได้บุญแล้วที่ตัวคนตาย อุทิศไม่ใช่ทําบุญในคนตายอุทิศใหนต่างหากทำบุญในคนตายหมายความว่าให้คนตายทั้งหมดอุทิศส่วนบุญให้เราทําบุญอะไรให้เขาให้าอาหารตลอดท่า่อนทุกสิ่งทุกประการเราทําบุญอันนั้นแหละอนิสงส์อันนั้นแหละที่เรา เกิดศรัทธาเรื่องสายพึ่งปิติแล้วทำบุญอันนั่นแ่ะแล้วอันนี้ส่งอันที่เราได้นั่นแหละส่งไปให้คนตายยังค่อยถูกทำบุญให้นคนตายทั้งหมดตนเองเลยไม่เอาอะไรทั้งหมดอย่านี้ไม่ถูกท่านทำไม่ถู ก, กเลยในใจก็เลยคิดอย่เบื้องต้น เจ้าเทําบุญนี้ขึ้นไปรับศีลก็ดีสมาธิปัญญาก็ดีเลยผิดหมดท่านแชกนิจจาคือให้พิจรารณานิจจาวตาสังขาราเป็นคำพูด ที่คนรู้จักภาษากันนี่แหละพูดได้รู้เรื่องกันนี่แหละถึงว่าใบแปรแบาลีอนั้นไม่ได้ก็ให้พิจารณาให้เข้าใจอธิบายเข้าใจอย่างที่ว่าเดียวยู่เดี๋ยวนี้แหละถึงข่าวที่ชักบังสกุลกดตายแล้วก็ให้พิจารณาอย่างที่ว่านี่แหละนะนิจจาว่าจะสังขาระ สังขารคือรูปนามพอดีรูปได้เก็บตัวของเรานามได้เก็บจิดใจพอดีอันที่มันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกที่มันสรงสรายคิดไปมาต่างตาปรุงแต่งให้เป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่างๆเรียกว่าสังขารสังขารตัวนี้แหละมันไม่เที่ยง ในเที่ยงยางไงเกิดมาตั้งแต่แปลปวนตั้งแต่ต้นนู้นล่ะตั้งแต่ปฏิสนธิอื่น่ะแปลมาโดยลำดับจนสั่งคลอดออกมาเติบโตขึ้นโดยลำดับเพราะนั้นเรียกว่ามันในเที่ยงจนถึงที่สุดก็แก่เท่าชรามารนาไอมารนาภาพ ถึงความตายว่าเรียกว่าตายนี่มันแปรอยู่อย่างนี้แปรพวอยออย่างนี้อันนี้สังขารจิตคิดปรุงนั่นปรุงนี่แต่งโน่นแต่งนี้สัตว์า ท, ทุกสิ่งทุกประการไม่มีเวลาพักผ่อนแม้แต่นอนก็ฝันไปคือสังขารนั่นแหละน่ะหยุดไมย่ยาก ตอนนี้สังขารในเรื่องของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละถ้านได้พิจารณาของไม่ เ, นนออมเที่ยงท่านจะบอกว่าอานิจจาซื้อของไม่เที่ยงว่าแต่สังขารสังขารในเรื่องของไม่เที่ยงเนาะคนที่เห็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของง่ายๆทำมาลึกซึ้งเนี่ยมันจะไม่ใช่ของง่ายๆ ที่เห็นทั้งขานรูปน้ำนี่เป็นของไม่เทียเ่ยงเลยเป็นของละเอียดที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องนิปัสสนาก็เป็นนิปัสนาอยากมันเหลือเหนือกว่าสมถะก็ใช่แล้วจนนิปัสสนาเป็นนิปัสนาอยาถ้าพูดถึงเรื่อง ไอ้ปิปัสนายาเนาี่ยมันเข้าถึงมัทโฑีพานนุนอะไม่ใช่ของง่ายง่ายมันลึกซึ้ง ล, ละเอียดถึงขนาดนั้นจึงมาเป็นของลึกละเอียดแต่เรากลับมาทำเป็นเล น, นเลนเช่ไมมันไกลทั้งไกลไหนไกลจากพุทธศาสนาทำจักได้ว่าเป็นประเพณี ทำซักได้ว่าทำไม่ได้คิดนึกแล้วไม่รู้สึกพิจารณาอะไรทั้งหมดอุปัฏวายธรรมิโนคือมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดับไปสั้งขานั้นงฟมหมดไม่ว่าอะไรทั้งหมดอะรูปน้ำก็ตามเถออย่างที่ว่ามันนี้แหละทำไมของไม่เทียง นั่นเกิดข <käytt> <olve> <Laughs> ึ้นแรกก็ดับไปอันนี้พูดถึงเรื่องการเกิดการดับคือของไม่เที่ยนั่นแหละเกิดดับก็ดีเกิดขึ้นแรกก็ดับไปเกิดนี้ก็ดับดับไปเกิดนี่เกิดที่นี่ก็ดับไปที่นี่นะผมไปโพลกันโน่นก็เกิดโน่นก็ดับโน่นอีกเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ตลอดไปลาอย่างรูปกายของเราเกิดมนในโลกอนี้ดับไปในโลกอันนี้อันนี้เรียกว่าเกิดดับเกิดที่ไหนดับที่นั่น สังขานจิตเกิดที่จิตน่นะดับตรงที่จิ ต, จ ต, จตนี่นะมันเกิดขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาหน่อยมันมันไม่ทำอะไรก็ดับตรงไปในที่นั้นเรียกว่าผู้ปฏวายาทำย่างนี้โ อ, อ <c oughs> มันเป็นธรรมลองรู้วที่เห็นเป็นธรรมไม่ใช่ของง่ายๆเห็นสักแค่ว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นธรรมชาติอนนันเกิดขึ้นระดับอยู่อย่างนั้นเราเข้าใจว่าตนวัตตัวเราเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอันนี้เราเข้าใจสิทติจังหาไม่ใช่ตัวของเราเนะ่ะเขาเกิดเองเป็นเองแล้วก็ดับเองดับไปเองมันไม่อยู่ในอำนาจวิสัยของเรา เรายังเกิดขึ้นมาแล้วถือตนที่ตัวที่รูปทีน่นามว่าสวยงดงามนนว่าเป็นหนุ่มเป็นแก่สารพทุกอย่างถือเอาใจจนถือหลางถือมั่นถือมันถือร้านเราใท้จริงๆลยจังใครมาว่าก็โกรธเขาไม่ว่าก็เกลียดเขามาว่าก็ดุ ไม่พอใจโกรธเราที่จริงเขาว่าความเกิดนัด่นต่างหากเขาไม่ได้ว่าเราอ่นเรานี่ไปยึดมันเคยถูกเราใช่พรามไม่จริงเขาว่ามันเกิดขึ้นมาันน้แต่างหากฟ้ากดขึ้นมาต่แต่ฮกคนที่ว่าเรานี่ไปเกิดไปถือเราเลยถือเป็นตนเป็นตัวขึ้นมา อุปัทวาญาเมโนท่านจะว่ามันเป็นธรรมมันหนึ่งเท่านั้นอะธรรมทั้งหลายนั่นจริงนะปวงมดในโลกเกิดขึ้นมาเป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยพิจารณาเห็นเป็นธรรมอย่างนี้แล้วเกิดมาในโลกเรียกว่าเป็นเกิดขึ้นมาในโลกอะแต่ว่าเราพิจารณาเห็นเป็นธรรมอันโลกทิ่ เราเห็นงานอยู่นี่อย่าไปเข้าใจว่าเป็นเป็นโลกให้เข้าใจเป็นธรรมจรึงแกเห็นธรรมถ้าไม่พิจารณาให้เป็นธรรมก็ไม่เห็นธรรมอีกเลยให้เป็นาจพิจารณาทิ้งในโลกก็เลยไปสามโลกหมดทุกสิงทุกอย่างพิจติวานีรุดชันติเกิดแล้วก็ดับไปเกิดและวก็ดับไปอย่างนั้น เตสังฆปาสมุทุกโภความเข้าไประงับดับเสื่อสิ้นสังขารในกองเป็นสุขข้นเห็นอย่างนี้มันจะเป็นสุขไปดีมันจะไปถืออะไรมันมีอะไรเป็นธรรมทั้งหมดมันก็สุขก็ดิคนที่เห็นเป็นธรรมเป็นสุขคนที่เห็นเป็นโลกเป็นทุกข์เท่านี้แหละ นั่พิจารณาธรรมเท่านี้แหละพิจารณากรรมฐานเรามาปฏิบัติในเพื่อปฏิบัติธรรมนี่แหละให้เห็นธรรมนี่แหละให้เห็นไม่ธรรมนี่แล้วเกิดเป็นโลกแล้วก็อยากมันเป็นน่าเกิดจะเป็นโลกเหรแต่ว่าให้พิจารณาเป็นธรรมให้เป็นอนิจจังพิจารณาอนิจจังเท่านั้นนะเม่เป็นอนัตตาเม่เป็นทุกขังไปซะ มันเกิดดัำเกิดกดำไม่ใชว่าทุกข์ขันมันไม่ใช่ของเราหรอกมันเป็นเองของมันในตถาคเป็นอนัตตาอันนี้จ้งแล้เป็นทุกข์ขันตานัตตาเป็นความมดในตัวจึงว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นของละเอียดลึกซึ้งสุผขมมากถ้าหากว่าเข้าใจพิจารณาแล้ว แต่ละบทแต่ละบาทแต่ละคอยกระทรงควมนี้ลึกซึ้งสกุล ม, มากถ้าเราพาิจารณาตื้นๆเลยไปเห็นแล้วถือเป็นธรรมเนียมขนบธรรมเนียมวเฒนีรรอย่างอนิจจาเนี่ยเป็นตนมนผ้าบางสกุลให้หน่อยอ่ะ้ากันอนิจจ่าถ้าแต่งคาราบะเทวายทำให้อรไปคิดวานิจตุจันติเท่านั้นก็พอแท้ เลยไม่รู้เรื่องรู้ราเลยผู้ฟังกไม่รู้เรื่องพระก็ไม่รู้เรื่องเองดีวยวกันศาสนายะตั้งมั่นยังไงศาสนายะท้า่อนลงไปได้ไยังไงทําได้ประเพนีทําเป็นการประเพนีสืบตืบลงไปเฉยๆ <c oughs> อ, อธิบายท่านี้น <c oughs> ตั้งใจญตามความสงบ ความสงบจากอารมณ์ทั้งปวงหมดไม่มีอารมณ์อะไรห่วงใ่ในตัวลองคิดดูมันจะเป็นไงใจน่ะความคิดสงสยัยมันมีอะไรละ่ะคือสังขารภายในเรียกว่าสังขารติดใจ ไม่คิดไปมาไม่คิดส่งไปบ้านไปชอบไม่คิดถึงลูกถึงหลานไม่คิดถึงการงานอะไรทั้งหมดเวลานี่คิดแล้วเราก็ไม่ได้ทำหรอกเดี๋่าไปคิดเลยเวลาจะคิดยังผมเถะนอกตรงนี้ยังก็ไปคิดเวลานี่ไม่คิดอะไรทั้งหมดเมื่อไม่คิดมันยังเหลืออะไรคัะตัวใจมันยังเหลือใจอย่างี มันเหลือใจใจมันก็เป็นธรรมเดินะธรรมที่ใจนั่นเนี่ยของเป็นกลางของว่า ง, างนั่ น, นอันนันแหละตัวตัวธรรมะเหตุนั้นเราเมื่อจะทาความสงบก่อนที่จะทาความสงบถ้ายัางจิตยังไม่สงบก่อนอบรมด้วยการปฏิกรรม นราบริกรรมมันได้ก็ได้พุโทโธหรือว่าอารักขังน า, นาปรารสตีอะไรก็ได้อบรมมันะให้จิตไปอยู่เนี่ยนะให้จิตไปอยู่ในคําบริกรรมเอาอยู่เรแต่ก่อนเพื่อจะเป็นเครื่องอยู่เมื่อจิตอยู่ที่นั่นแล้วก็จะจับเอาจิตตัวนั่นแหละขาอยู่ตัวคน อ, อยู่นะั่นแหะ ตัวมันมันมากำหนดออกตรงนั้นจากประต น, นั้นให้อยู่คาอริกรรมมันหายไปเองถึงไม่หายก็ปล่อยวางแล้วจะเข้าถึงธรรมะเพราะจิตคนเรานั้นมันทรับสายไปสารพัดทุกสิ่งทุกประการไปทั่วทุกแห่งหน มันไม่อยู่คงที่ตัวของเราได้แทรก็ยังไม่เห็นจิตของเราซ้ําอีกมไม่ทราบว่าจะทํามันจะเป็นธรรมได้อย่างไรมันคิดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันตรง้ายไไก็แน่ก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องไมาเข้าใจก็ไม่เห็นธรรมเลย เมื่อเราเห็นธรรมเรจะปฏิบัติตนได้ง่ายเราไม่เห็นจิตของตนเราจะไปละความชั่วได้ไงเอารักษาความดีด้วยได้อย่างไงจิตมันคิดชั่วเราเห็นเรายังไปละความชั่วคิดดีเห็นคนดีของเราจึงค่อยษาความดีในใจนั่นยิงได้ชือว่าฮัดหัดขอ้อนา หัดหก็อนาคือคือหัดหาจิตนั่นเองมันไม่เห็นจิตก็ไม่เป็นภาวนาะหัดก็อนาคือเหตุหัดเห็นจิตหัดเห็นจิตก็คือหัดละความชั่วความชั่วที่จิตมันคิดชั่วนั้นมันไม่มันไม่สบายใจถ้ามันคิดดีก็สบายใจความคิดชั่วนั้นละถอนได้ มันยังค่อยดีขึ้นคนเราถ้าไม่เห็นใจไม่มีการดีขึ้นเลยไม่เห็นมีการดีอะไรขึ้นมาเลยมันนาาี่แหละฮัดพระนาพระธรรมทิมันดีอย่างนี้แหละมันเป็นประโยชน์อย่างนี้เละเอาตั้งใจทำเลยก็ได้